เราหลับตาแล้วเราก็เท่าว่าเราบ่มอินทรีบ่มจักขุอินทรีให้แก่กล้าแล้วพึงจะรู้ได้ความปิดจริงเรื่องพระาศาสนาของสมายสัพพุทธเจ้าทรงแนะนำทำให้เป็นอันเดียวกัน เหมือนภาชนะที่ครอบไว้ทำให้เป็นอันเดียวกันแนมือจิดของเราฝึกสมาธิมือสมาธิเริ่มจะเกิดย่อมจะมีกายเบา จิตเบาพึงพยายามประคองไว้ให้ดีแล้วจึงเรียกว่าเป็นผู้เป็นผู้สร้างสมาธิให้สงบได้ มือติดเป็นสมาธิมีความรู้และมีความเห็นขึ้นนักปฏิบัติก็จะตื่นตัวขึ้นก็จะมีความเพียรความพอใจในนั่งสมาธินิวรณก็ เริ่มจะดับลงไปได้แล้วมือนิวรณห้านี่แหละเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้เข้าไปรู้ความเป็นจริงได้มือนิวรณห้าดับแล้วจิตน่พึงเกลือพึ่งเ ก, ร, งกรู้เห็นกายในกายภายใน ยึ่งเรียกว่าจิตนี้เข้าวังแล้วนี่พึงให้รู้จักว่าอันนี้เราพยายามสร้างภวังไว้ให้ดีปัญญายานก็จะเกิดขึ้นกนักปฏิบัติก็่าทำให้มีปีติความเอื้อิูใจในพระศาสนาแปลว่าความซ่อนพุญคัดในสมาธิตั้งใจไวช้ชอบก็เกิดขึ้น กนักปฏิบัติ <c oughs> ขัตตสมาธิอย่างหนึ่งที่คุณจะมาเข้าใจนั่งสมาตึงขัตตสมาธิตึงไปนั่งก็จะไม่ทนนั่งให้หลวมลวมน้อย ฝึกสมาธิก็จะอยู่ได้นา น, นผู้ฝึกสมาธิตั้งใจจะเอาแห่งพระนิพพานด้วยกันทุกคนเวลาจะได้จะถึงนี่ไม่รู้ตัวเลยสักคนเดียวเพราะจะรู้เห็นก็เกิดขึ้นเฉพาะ มือจิตมือนิวรณดับหลักวิชาก็จะเกิดขึ้นทีเดียวมือนิวรณห้าดับแล้ววิตกวิจารก็จะเกิดขึ้นพิจารณากายภายนอกกายภายในก็จะรู้เห็นชัด เมื่อรู้เห็นชัดแล้วนักปฏิบัติก็ตื่นตัวขึ้นตื่นตัวเบิกบานใจสว่างสวัยนักปฏิบัติก็มีปีติและความยินดีอยู่ในเจริญสมาธิแล้วนี่ สติสมัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะลมเข้ายาวรู้ลมออกสั้นกำหนดรู้เพราะจิตมีสมาธิดี เพราะอนุภาคของผู้ปฏิบัติจเจริญหลักสมาธิจะงดงามได้ก็มือจิตเป็นสมาธิปัญญาเจรู้แจ้งได้ก็เพราะใจสงบ ถ้าผู้ปฏิบัติมีใจมีทีนมิตะเขาครอบงำงงบงับงบงับก็พึงลืมตาขึ้นลืมตาอยู่นา น, านๆเพ่งลืมตาเพ่งอยู่เพ่งอยู่ที่กายสมาธินี่หละ พวกเราเราเป็นเป็นผู้ปฏิบัติววกกายานุปัตนาปฏิปทานกำหนดกายกายเป็นอารมณ์มือกำหนดกายเป็นอารมณ์แล้วพอรู้แจ้งก็จะเรื่องว่าจะรู้เรื่องของพระ มหาลิกายมีกายใหญ่ก็จะรู้ขึ้นกับผู้ปฏิบัติเรายังไม่เคยรู้เรายังไม่เคยเห็นเพราะเรามีความรู้มีความเห็นแล้วใจก็ ปีติความอาึบอิลใจก็จะฝึกหั ด, ดมันเข้ามันออกมันเข้ามันออกแล้วก็ชาณจิตจิตก็จะเจริญชาญชอบก็พร้อม้วยสติสมัญยะอดีสมาสมาธิก็เหมาะสม เจริญชาติชอบนี่ของผู้ปฏิบัติพยายามพยายามไม่มากนี่แหละนั่งภาวนาการตายนี่ภาวนาการตายและรู้เรื่องตายด้วยและรู้ท้งเรื่องไม่ตายด้วยแล้วจึงเรียกว่ายานทัศนวิสุทธิ ของนักปฏิบัติเป็นผู้ฝึกสมาธิรู้รู้จริงรู้แจ้งในธรรมคำสั่งสอนของสมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราได้ฝึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆอยู่ที่ใจมือเป็นอย่างนี้แล้วก็ พึงเรานักปฏิบัติพึงรักษาสิ่ง น, นี้ให้บริสุทธิ์แล้วจึงฝึกสมาธิพอสมควรพึงมักผลนี้จะเกิดก็นักปฏิบัติได้เพราะยาตโยมทุกคนที่มานี้ก็มาสนใจในสถานที่ ที่วัดสังฆานนี่เป็นเป็นที่ฝึกขัดสมาธิจิตก็จะได้เกิดคุณอันธรรมคำั่งสอดของพระองค์จะได้เกิดขึ้นนอบน้อมเข้ามาไว้ที่กายใจด้วยกันทุกคนกำลังนี้จิตใจฝึกขัด เป็นพระสมาธิกายก็เป็นสมาธิใจก็ฝึกหัดอยู่ใจของตัวเองเป็นสมาธิก็รู้ไม่มีสมาธิก็ขันติความอดทนขันติความอดทนเป็นผู้สร้างตบะอันยิ่งใหญ่ที่ในพระศาสนาของสมณสัมพุทธเจ้าหัวใจพระศาสนา ก็คือสมถวิปัสสนานี่แหละจึงเรียกว่าหัวใจของวิของพระศาสนาถ้าไม่เราไม่ได้เจริญสมถวิปัสสนาแล้วก็ไม่รู้จักว่าหัวใจพระศาสนาอยู่ที่ไหนเพราะจะรู้ได้ก็เพาะนักปฏิบัตินี่เองผู้ฝึกสมาธิ ก่อนเราในอิริยาบถสิพยายามฝึกหัดเรานั่งสมาธิเท่าง่วงมาเราก็ไม่สา ม, มารถที่ะไล่นิวร อ, ออกได้เราก็กำหนดรู้แล้วก็ลุก ขึ้นค่อยๆลุกยืนให้ตัวตรงแล้ว จ, งจึงจึงจะก้าวออกขวาย่างหนออนีจะเดินจงกรมหรือขวาพุทธสายถก ก็ให้ได้ปัจจุบันเราเดินเดินทอดทอดตาไปแค่สีส่เสาใช่ได้เท่าเดินก้มหน้ามากจำเพาะที่ดูปลายเท้ามากลายย่อมจะทำให้ปวด ถทยถอยได้เพราะอันนี้เราพยายามที่แนะนำกับญาติโยมพยายามเปลี่ยนอิทธิบาเอาเดินพยายาม ที่ลุกแล้วพยายามเดินช้าๆใจเร็วให้มีสติสม็มัญญาด้วยเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ย เราใช้เปลี่ยนอิทธิบาตเราขัดสมาธิเรานั่งสมาธิกายก็จะสงบไปอีกพอเรานั่งพอเพ็บ น, น, นานๆเราก็มาขัดสมาธิจะมักงกายก็จะสงบไปอีกที่เราจะทนอยู่ไม่ได้ก็ที่ใจนี่แหละใจปรุงสร้างน้นำคาญใจ จึงไม่ไม่นั่งคันติความอดทนอยู่ได้เพราะใจไม่สงบเดินช้าๆเดินช้าๆปุ ธรรมะทีท่กล่าวมณีกับญาติโยมเพิ่งให้รู้ว่าโน่นแหละมือจิตเป็นสมาธิแล้วจะรู้ว่าสอนน้อยเว้นแต่มีคุณมากกับผู้นักปฏิบัติ เรามีความแก่เรามีความเจ็บเรามีความตายจิตใจของเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายเสียก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษ อยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างสวัยควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างสวัยญานทัศนะวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกันักปฏิบัติ ผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถสี่ยอมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านทิงพยายามจะลมขวาญตั้งใจเราครั้งนี้ เหมือนอย่างการหนักโทษที่อยู่ในเรือดำเขาจะรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะมือนั้นเราเป็นอุปมาเหมือนนักโทษที่ไม่ยอมไม่ยอมให้ใจลมเลว ฝึกหัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่บรมครูคือสมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้ให้หลักวิชาของเราไว้จึงพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่ง แล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยแท้ในพุทธศาสนาของสมมาสัมพุทธเจ้าแม้เราถึงจะตายก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักตัวรักษาตนไว้ให้ดี จึงจะมีอนุภาพมากทั้งลูกดิ่งและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ย่อมต้องแตกดับไปทุกขณะแล้วพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนยังกาหลักเพชรของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกเอาไว้ดีแล้ว สร้างทัศฐาสร้างทัศฐาให้เกิดให้มีขึ้นอย่าโยมทุกทุกคนอย่าวันไหวจะคิดว่าเรา อย่างบารมีออนอยู่ยังไม่แก่ไม่กล้าอยากคิดอย่างนั้นหากสามารถไปได้ขณะมือแตกดับก็มีทมไปเราปฏิบัตินั่งกรรมฐานก็ได้เดี๋ยวนี้แหละในในก็ได้ตั้งอกตังใจมาแล้วที่อย่างที่พระ อตจารย์ส น, นองท่านได้รองเรียกญาติโยมมาปฏิบัติในไหนตั้งอกตั้งใจมาแล้วก็พยายามให้มากสามารถจะบรรลุธรรมในวันนี้ในชั่วโมงนี้ในนาทีนี้ก็ได้เพราะเพราะที่กระทานี้ก็ได้ทำกันมาแล้ว ที่นี้ผู้เดินจุกรมอยู่ภายนอกก็ดีขอจะให้ใจล็อกแลกกวัวแวกไปยืนฝังก็ได้เดินจงกรมฝังก็ได้ให้ปัจจุบันรละลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราล้วเป็นอันดี ทำไมพระพุทธเจ้ายืนฝังก็ได้สำเร็จก็ไม่กำลังเดินจงกรมฝังสำเร็จก็ไม่ขอยอย่างนั้นเราก็พยายามทมเถอะนึกว่าอัตโนนาโทตนของตนเป็นที่พึ่งจะเอาคนอื่นมาเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอก จะมีที่พึ่งได้ก็ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านแนะนำหรือสั่งสอนซึ่งจะพยายามที่ถอดจิตออกไปให้กับญาติโยมที่กล่าวไปนี้ก็เพื่อจะให โยมมีศรัทธาหรือแก่กลาก้าขึ้นโยมจะได้ไม่ท้อถอยเพราะการปลุกใจนี่น่ะหัวหน้าสำคัญเท่าหัวหน้าไป ลูกน้องก็ต้องไปถ้าขวดหน้าไม่ไปลูกน้องก็ไม่ไปไไเหมือนกันเหมือนยงกะธรรมชาติที่เราเคยเห็นอยู่หัวก็ตามขวายก็ตามแต่ไล่คำปากถ้าไม่มีนำหน้าแล้วไม่มีไปเลยสักตัวเดียว ถ้ามีเจ้าข้องว้ออกหน้าแล้วโขหรือกระบือนั่นจะตามเจ้าข้องไปเมื่อไปตัวแล้วก็จะไปเจนหมดเลยจันใดพวกเราทั้งหลายก็ต้องหัดเป็นอย่างนั้น เ, เพราะผู้นำสำคัญ มันมันมันมั น, มนเปลี่ยนอิริยาบถยืนได้ น, น, นานๆก็ได้นั่งได้ น, น, นานๆก็ได้เดินจงกรมให้ได้ปัจจุบันเวลาสมาธิบางคนจะเกิดกําลังเดินจงกรมก็มีบางคนจะนั่ง สมาธิสมาธิเกิดนั่งก็มีสมาธิเกิดในขณะนอนก็มีอิริยาบถสีนี้นักปฏิบัติควรจะต้องทำทุกอิริยาบถแล้วพวกเราจะมีทุกทุกอิริยาบถขอให้ญาติยม ไปพิจารณาดูจะพึงเชื่อท่านว่ามีทุกทุกอิริยาบเถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วย่อมไม่เห็นทุกอิริยาบถใ่ปิดบังทุกไวเวลาลากักเวลาทุกเกิดรู้เวลาเปลี่ยนอิริยาบถสุกเกิดไม่ได้กำหนดใกแก ก็เดี๋ยวทุกเกิดอีกแล้วพอเปลี่ยนอิยาบุตรสุกเกิดมาได้กำหนดสิ่แล้วต้องกำหนดสังสุขและทางทุกสุขกระทุกนี่เอามาเป็นคู่หาบกันขึ้นทั้งไหนจะโอนเอียงมากกว่ากั น, นขอให้นักปฏิบัติจึงช่างใจดู แล้วคึงจะรู้เองเห็นเองได้ที่นี้มือกำหนดพุทธลมเข้าถูลมออ ก, กจิตใจส ง, งบแล้ว มีแสงสว่างเกิดขึ้นอย่าเป็นแสงจ้าก็ตามพึ่งนักปฏิบัติจะตื่นตัวได้จิตก็จะไม่ไปไหนเลยจะอยู่กัหลมเข้าลมออกทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละจึงเรียกว่าอารมณ์มิปัสนายานจะเกิดกับ น, นักปฏิบัติทีเดียว รู้ความเป็นจริงได้เมื่อเกิดแล้วเราไม่มีความรู้ก็ให้ถามครูบาอาจารย์ขึ้นท่านจะได้แนะนำต่อไป คุณนั่งสติสมทัญญาเป็นเอาอารมณ์เลยพยายามสติสมมทัญญาความรู้ตัวให้เป็นอารมณ์เดี๋ยวจึงจะรู้ชัดได้ ที่นี้ต้องจะนั่งกรรมกานขอให้นั่งเป็นแถวๆให้เว้นช่องววด <c oughs> แล้วมือจะลุกเดินก็ออกง่ายจะไม่หลักลั่นกันนั่งสมาธิไกลแลบลิน้นเออ หูเล็บลินไก่ตีปีกนี่ก ม, มีอานิสงส์มากเมื่อขณะรู้เห็นในขณะเนี้ยที่กล่าีิพึงยังให้สำเร็จได้แค่รู้เห็นนะ ลายตีปิกงแูแลบปินเนี่ยคือว่าเข้าไปรู้เห็นหวังจะให้สาเร็จได้เพราะอำนาจคุณสินคุณฐานคุณภาวนามีอนุภาพมาก เชนว่ามีการฝึกสมาธิเดินจงกรมมีมือภายหลังบ้างหรือมือกอดอกรัดตัวให้แน่นรัดตัวให้แน่นจะเจริญสมาธิกำลังเดินจงกรมจะมีสมาธิดี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 กำลังเดินจกกุกรมจะมีสมาธิดีก็ได้สิ่งนี้คือคือเอาความสุขคขมาอาศัยสิ่งน่า งเอาความสุขเข้าม า, ายส่แสวงหาความสุขหิ่งจิตนี้ย่อมไม่ไม่มีสมาธิได้ที่นะปิตัความครอบงำสมนเลนในน้อยนีย่มันมันยืดตัวกลง พึกทัดนิดถ้าภาวนาไว้ให้ติดติดมีความรู้อยู่แล้วก็พึงไม่เสียหลักในสมาธิวันนี้ก็ให้อารมณ์ให้อารมณ์กรรมฐานภาวนาแล้วพร้อมด้วยวิปัสสนาภาวนา มืดจิตเป็นหนึ่งเราย่อมรู้ความเป็นจริงอันนี้จะต้องถือหลักเอาไว้ให้เหมาะสมอัตมาเคยนั่งกรรมฐานอยู่ในป่าชามืดจิตไม่สงบแล้วก็ เยลยรลึกถึงว่าพิษุเธอตึงทําจิตให้เป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงก็เคยตักเตือนว่าเรายังทําจิตไม่เป็นสมาธิตามคํา่อนของพระพุทธเจ้าเราก็คงไม่รู้ความเป็นจริงอย่างแน่นอนแล้วพยายามยึดเอาหลักนี้แหละเป็นผู้ฝุดจิต ของตนเองมม่ได้ไม่ได้นึกอะไรมากลึกแต่ว่าจิตไม่สงกย่อมไม่รู้ความจริงหยุดเอาหลักนี้เพราะลุงพ่อมหาทองท่านสแสดงทรรมอาตมาก็เลยจับเอาหลักนี้แหละเป็นข้อวัดปฏิบัติ อยู่ทุกขณะเลยถ้าจิตไม่เป็นสมาธิพิษุองค์ที่ปฏิบัติก็คงจะไม่รู้ความเป็นจริงอย่างแน่นอนเลยฝึกซ่อนตัวเองเตือนตัวเองอย่างนี้และจึงได้พยายามอยู่ในป่าชาถึงตั้งหกปีเหมือนยังพระสนสค์นิรันดร์ก็อยู่ในป่าชาที่ท่านปฏิบัติ วัดหนองภผยโน้นที่ท่านได้ฝึกขัดแล้วก็ถึงกิได้มาท้าทุกวันนี้ซึ่งอำเภอสัมชุกที่ปฏิบัติพระกรรมฐานพึงมีหลักทีแรกๆ ก, ก็พระองค์หนุ่มเพึ่งได้ พระสนมมาทำเป็นผู้แนะนำญาติโยมอยู่ทุกวันนี้ก็เพิ่งมีเท่านี้องลุ่มนุ่มเดี๋ยวนี้องุ่มนุมน่ ม, ม, ม, ม, มก็เยอะแล้วหล่แล้วนี่เพราะเราเราทั้งหลาย้าญาติโยมก็มีมากขึ้นอาตมาก็ปรับเรื่มความดีใจว่าพวกเราคงจะพ้นความแก่ความเจ็บความตาย กันอย่างแน่นอนทาไมละ่ะแต่พวกเราเท่ายอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งครับมีที่พึ่งแต่ตงไวยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระส่งอยู่ที่ใจนึกว่าแต่งกายแต่งใจเอาเป็นธรรมาทของพระพุทธเจ้าให้ท่านมานั่งธรรมเทศนาเทศให้เราฟังเราจะได้สบายใจ กายของเราก็จะได้เป็นธรรมะอันอย่างที่ดีๆขอให้ญาติโยมได้แต่งแต่งกายแต่งใจของท่านถดุดประดังเหมือนว่าตั้งธรรมไว้อย่างดีซึงเอาไว้ต้อนรับสินสมาติปัญญาที่สำหรับที่ตนของตนจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยขอบารมีธรรมคุณฐานก็ดีคุณสิทธิ์ก็ดีคุณภาวนคานคม ก็ดีขอให้จึงเกิดมีกับหมู่ลุกซิตของที่นั่งเฉพาะหน้าด้วยกันนี้ก็จึงมีความสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจซึ่งมีสติสมถัญญาความรู้ตัวยังสมาธิให้เกิดปัญญาย่อมเกิดญาณทัศนวิสุธทธิจึงเกิดมีกับหมู่ญาตโยมเฉพาะที่นั่ง อยู่กลางแจ้งก็ดีอยู่ที่คนไม้นี่ก็ดีในที่วัดสังฆทานนี้เป็นอันที่สบายกายสบายใจของนักปฏิบัติขอให้ได้มรรคสีและผลสีพระนิพพานหนึ่งปัจจุบันนี้และอนาคตและการข้างหน้าขอให้ท่านสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกัน ทุกท่านเดินถึงจะร้อนก็ยังพอใจนะถึงจะร้อนก็ยังพอใจทำอะไรเหื่อไม่แตกไม่สมยู่ทาทำอะไรดำนาเกี่ยวข้าวฝึกกรรมฐานถ้าเหื่อไม่ไร่ไม่สมจยม ความร้อนที่ไหนมีความเย็นก็อยู่ที่นั่นเพราะอันนี้แหละพยายามนั่งกรรมฐานให้เหือแตกพักแล้วก็ภายในนะ้ำมันไหลออกที่ภายในที่มันไม่ดีนะโยมมันก็ไหลออกแล้วของดีๆก็เข้าไปภายใน เอาขับออกเอาไฟใไนออกไปข้างนอกร่างกายของเราเนี่ยดูได้ตาเนี่ยมันก็เพราะว่าสนิทแต่ถ้าเราหลับตาแล้วถ้าจิตข้าระวังแล้วกลากายนี้เลยจะหยาบจะเป็นรูช่อง ที่เหื่อนำมาไหลออกไปนี่แหละที่เราว่าเขือออกเต็มตัวหมดก็ว่าช่องรั่วช่องทะลุมันไม่อยู่อขออนุญาตโยมฝึกให้เห็นแล้วทีนี้เมื่อน้ำนี่ออกหมดแล้วออกจากในร่างกายธาตุอโปไหลออกเละๆเลเพอน้ำนี่แห้ง น้านี่แห้งท่านใช้พระข้าวมาทู่ตัวแล้วจะมีดินทั้งนั้นเลยขอให้ท่านส่ายส่วนดูเถิดแล้วท่ายส่วนดูแค่นี้เราเห็นแค่นี้ยังไม่จริงเท่ากรรมาฐานเห็ น, นไม่จริงเท่าก็ผู้มีสมาธิเข้าไปรู้เห็นนั่นดินนี่น้ำนี่ลมนี่ไฟนี่ถึงจะ รู้แจ้งชัดในการผู้ฝึกจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงนี่ญาติโยมทุกคนยมลงลุกลุกขึ้นเดินจกกงกรมมันก็ได้นะยืนแล้วก็นั่งก็ได้แต่คุณไม่เมื่อยนะก็เดียวก็ ยืนเงี้ยยืนและกรงจะจะดูไปที่อื่นนยโยมนะอ่าดูดูก็ดูเฉพาะที่กายนี่แหละยืนนะถึงจะเข้าหลักของนักปฏิบัติโยขี่เป็นผู้ปฏิบัติเงีย นี่พัดสะพัดสะกฐิยมพัดนี่แหละอัตโนธนต้นตนเป็นที่พึ่งในตนเองใครจะพัดให้ละหลมก็ไม่พัดโยมก็ต้องห้าพัดมาพัดเองใช่ลแล้วก็เย็นได้เนี่ยเย็นได้มโยมนี่พัดษัสะคือความธาตุกระทบ มือหลมมาพัดถูกกายก็เย็นนี่ <c oughs> กรรมฐานขนแก่โยม กำรรมะถันคงณแก่ต้องแก่นอนน้อยแก่นอนแล้วผาวาาเขา้าทานน้อยเพราะจะลุกเดินก็เสจะยืนนานก็จะลม้มอาศัยกรรมะานนอนก็ได้เดียมันฝึกหัดถึงจะหลับก็ไม่ว่าตื่นเมื่อไรเอามือ น, น, นั่นคุณแก่ต้องรีบหน่อย รีบเดินรีบถึงหนอนก็ทำนี่หนักขึ้นนักขึ้นนอนหลับว่าฝันฝันว่าทํากรรมฐานใช้ได้ถ้ายังนอนหลับฝั่นไปยังโน้น อ, อย่างนี้ไปโน้นไปนี้อย่างแทนไม่ได้ต้องต้องฝึกว่าเรานอนอยู่ว่าได้นั่งกรรมฐาน จเจริญพระกรรมฐานอย่างนี้แหละถึงจะเหมาะสมถ้าปั่นว่าได้ขับเปลี่ยนขับล้อแล้วก็ไม่ไหวไปโนดไปนี้ไปทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างนี้ก็ถึงว่ากรรมฐานนี้ยังไม่งดงามยังไม่อยู่ในผวังีทํามีอย่างนี้แล้วต้องรีบทํานั่นแหละถึงเรียกว่า พวกถูกตริย์พวกถูกตริย์ถึงเนี่ยนอนหลับมันก็ไปแบบนั้นอยู่ฝ่ายมักกริย์ก็ปัดว่าได้เจริญกรรมฐานปันว่าได้เหาะมั่งไรบักนี่นี่แหละเรียกว่าปิติสมาธิทำให้เกิดมีกันนักปฏิบัติคนนั้นแหละย่อมจะเกิดมีปัญญาดีรวดเร็วนี่ ทำให้เก่งๆโยมเราพยายามมัจจุราตจะได้ไม่เห็นตัวเรานะญาติญาติโยมของเรามันแก่แน่เจ็บแน่ตายแน่ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มีเราจะต้องสนใจให้มากเราจะได้รู้อย่างทัศนวิสุทธิ คุณนั้นตายไปเกิดที่นั่นคุณนั้นตายไปเกิดเป็นเปรตคุณนี้ตายไปเป็นเศรษฐีร่ำรวยคุณนั้นไปนรกคุณนี้ตายไปสวรรค์คุณนี้ตายไปเป็นพรหมคุณั้นตายไปพระนิผานเราจะได้รู้เรื่องอย่างนี้ถ้าไม่รู้ก็พยา ย, ยามทาเพราะเครื่องรู้นี่มีมีความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทัดทสอนไว้เราต้องสนใจเพราะ เราพระไกาปิดกของเราสมบูรณ์แล้วขู่ตาจมูกลิ้นกายใจของเราไม่ไม่บาเสียจริตยงเรียกว่าพระกาปิดกงดงามนี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงว่าพระไกาปิดกของท่านสมบูรณ์ดีนี่ขอให้ท่านปรับลืมใจว่าเราพยายามจะปฏิบัติ มักผลต้องได้มีในเราเนี่เราะกายพิดุกดีอยู่วันนี้เป็นวันที่กลางเดือน เป็นที่พระจันท์เต็มดวงเราก็พยายามจะปฏิบัติให้บีจิตใจแข็งแกร่งให้ตลอดวันตลอดคืนได้ก็เป็นอันดีเพราะเราไม่เห็นกหลับก็นอนพยายามฝึกไว้มันจะได้แก่กล้าขึ้น อย่างกพระสนองท่านไม่หนอดมารุจักกี่ปีเลยเราอยม่อย่ า, านี้หลองมันสักคืนนึ ง, นงคงเกีได้นะไม่ได้ก็ให้รู้ไปทีฮะนะดูจะแยกแค่ไหนนะคงจะไม่เท่าไหร่นะ แต่แตมาก็ผ่าข้างๆนี่ยังมานั่งได้เป็นนานๆอยูอ่มานั่งเพลิดเพลินอยู่กับญาติโยมเป็นนานๆ น, านะก็ได้อาศัยว่าของญาติโยมมีเต็ม อ, อกเต็มใจกันที่จะฝึกหั ด, ดมากันไกลๆท่านบอกว่าดูดประดังเหมือนว่าคนลงทาง ขนลงทางนี่ก็พยายามจะสแสวงหาทางจะออกกับป่านี่เอกกร์ตาเนี่ยเป็นผู้ปราบมันห้าดีปฐมมชานเท่าหักว่าทาไมได้ ปฐ ม, มามัชไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วจะไม่ไม่รู้ไม่เห็นได้จะไม่ตื่นได้ที่เราเจริญกรรมฐานที่พอได้ปฐมฌานและยมรู้เลยยมรู้ในการที่ว่าเจริญกรรมฐานนี้ยัยงไม่ผิดหวังอะรู้ชัดทียว่าโอ้เราเข้าถึงหลัก พระกรรมฐานแล้วพระพระกรรมฐานผู้เจริญกรรมฐานด้วยกันเราเราที่มันเข้ามันออกนั่งสมาธิจิตเนี่ยมันมันออกรบออกไปรบแล้วเนี่ย ูฝึกสมาธิทำจิตใจเนี่ยเพราะผ่านอันตรายค่าศึกมีมากที่มันจะต่อต้านต่อต้านความง่วงเหงาเข้านอ น, อนขี้เกียจขี้กรานความไม่สบายกายความไม่สบายใจความนทุกข์กายทุกข์ใจเราก็ฝึกสมาธิจิตให้มากขึ้น แล้วพวกมันห้าเป็นเครื่องระรานจิตใจของพวกเราแล้วพยายามออกรบบ่อยๆแล้วมันออกรบแล้วเ ข, ข้ามารักษาแผลเข้ามารักษาแผลเพราะเราออกไปต่อตา้านข้าศึกย่อม บอบช้ำ ม, มากถูกข่าศึกตีฟันดันแทงเอามาเป็นเกืแ่แผลเราก็พยายามเข้าห้องเข้าห้องพักพลแล้วเยี่ยวยารักษาแผลออกหายดีแล้วออกรบใหม่นี่อันนี้หลักวิชาของสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสุงแนะนำพวกเราไว้ซึ่ง ให้ออกออกรบบ่อยๆนี่ออกำทำสงครามบ่อยๆนักปฏิบัติแล้วพวกท่านจะได้แก่กล้าขึ้นเพราะอย่างนั้นจะต้องพยายามหาหากผู้ขวัวหน้านักรบที่ดีก็คือพระพุทธเจ้าเรา ต้องลึกยึดเอาเป็นหลักใจต้องมันรักษาพแพร่นะออกไปสู้แล้วก็มีพแพร่เหือดมากก็ต้องเข้ามารักษาพแพร่รักษาพแพรให้ดีแล้วก็ออกรบใหม่ออกออกรบจันทาศึกพายแพ้ไปแล้วนั่นแหละพวกเราก็จะได้ยึดพระนครเอาไว้ ให้ดีและพวกเราก็จะได้มีความสุขพระเจ้าแร่ดินขี้เกียจไม่ได้หรอกโยมขี้เกียจ ร, รบไม่ได้เดี๋ยวก็อาเมืองหมดนะโยมเพราะเราเราทั้งหลายด้วยกันนี่แหละเปรียบเทียบให้กระยัติโยม ที่พระไปอยู่ในปราชาเนี่ยกลัวจะได้มันเนี่ยกลัวจะได้พระนครที่ดีมัน่ะไปรบอยู่หลายปีอยู่อตัตมาไปรบอยู่ตั้งหกปีพระสนอกไปรบมาสามปีเขาไหวน้อยนึงนะเขามันหนุ่มแน่นห น, น่อยอนะอก็อันนี้แหละ ทีนี้ก็มาจัดแนวรบขึ้นใหม่มาชวนพวกญาติโยมจึงออกทำสงครามกันนี่แล้วก็เราจะได้เอาเมืองโน้นได้เอาเมืองนี้ได้เราก็มีความสุขนะแล้วเราก็ โทษภัยอรัฎรายรายก้นไม่มีแล้วจึงเรียกว่าสมบูรณ์งเป็นผู้สมบูรณ์ในสิ้นสมาธิปัญญาเกิดมีขึ้นกับเรามีพระขันแก้วแก้วกลาจะก ว, ดกวาดแกงฆ่าศึกก่ให้หมดไปสิ้นาปได้สมความปรารถนาของพวกเรา แล้วพวกอัตมานี้รบ ก, กันมาเป็นยี่สิบปีสามสิบปีแล้วนี่ฮะสามสิบกว่าปีแล้วรบ ก, กันยังไม่เลิกกันเลยโยมยังไม่เลิกเลยแลยโยมมาชวนโยมรบมากโยมจะเป็นคุณกี้แพ้นะนะ จึงให้หนอนสู้นะ <c oughs> ยืนสู้ไม่ได้ก็นั่งสู้นั่งสู้ไม่ได้ก็นอนสู้นะ <c oughs> จิงที่เรียกว่าเป็นนักรบนอ <c oughs> พวกเรามันกลายนาคอนกลายนาคอน <c oughs> มีมีเรื่องมากนะ <c oughs> มีเรื่องมาก นั่งสมาธิมีความรู้ความเห็นอย่างไรกันบ้างทางมืดมึดนุ่นยุงท่าจะกัดไหมโยมทางที่เงามืดมืดน่ะยุงมีไหมโยม อ, อยู่มันชับเขาที่มืดๆนะกัดพวกเราเกิดอยู่กับดินกินอยู่กับดินนอนอยู่กับดินตาอยู่กับดินนี่นะทีนี้เรื่องดินเนี่ย ก็ผมคุณเล็บปันนั่งเรือเส้นเอ็นกระดูกเนี่ยเป็นดินทั้งนั้นแหละโยมเป็นดินเป็นธาตุสี่ดินนำลมไปที่ที่ในกายตัวอุ่นๆเนี่ยเป็นธาตุไฟธาตุนำเนี่ยเห็นได้ยาก โยมธาตุดินเนี่ยพอเห็นได้ง่ายนี่เพราะอันนี้หละขอให้ยาตยโมพยายามให้มากทีเดียวเพราะสนใจเราเหมือนก็ว่าหาเพชรในภูเขาพวกเราเมอนหาเพชรในภูเขาเมื่อเราพยายาม มือได้เพชรแล้วล้วก็ภูมิใจ